ถูกทำร้ายด้วยวาจาบ่อยจนเชื่อเรื่องบุญกรรมไม่ลงถามถูกทำร้ายด้วยวาจาทุกวันเหมือนจะเป็นบ้าตายไม่มีเวลาให้คิดเป็นบุญเป็นกุศลจะทำอย่างไรดีทำใจให้เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ได้เพราะจิตเป็นอกุศลอยู่ตลอด ใครเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมจริงๆจะกลัวและเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัตรนาพรั่นพรึงเพียงใดกรรมบางชนิดเมื่อกำลังให้ผลนั้นเขาให้ผลด้วยการเล่นงานขนาดไม่ให้ตั้งตัวติดหรือขนาดสั่นคลอนศรัทธาในความดีทุกรูปแบบที่เคยเชื่อนรกสวรรค์นิพพานบุญธรรมกรรมแต่งก็พานอยากจะเลิกเชื่อกันอย่างสิ้นเชิง เห็นเป็นเรื่องงมงายหรือกระทั่งหันมาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับทุกศาสนาไปเลยจุดเปลี่ยนของความเชื่อคนเรามาเกิดขึ้นเมื่อประสบวิกฤตหรือเรื่องเลวร้ายซ้ำซากยากจะเยียวยาจิตใจที่ท้ายคาถามคือทำใจให้เชื่อเรื่องบาปว่าเรื่องบุญไม่ได้เพราะจิตเป็นอกุศลอยู่ตลอด นั่นเป็นส่วนที่ผมเติมเข้าไปในคำถามเดิมนะครับเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นคนเราพอจิตใจกำลังตกต่ำกำลังหดหูกำลังท้อแท้ทรมานอย่าไปยกกรำรดีกรำรชั่วแต่หนไหนมาพูดเลยฟังแล้วไม่เข้าหูหรอกถึงเคยอยากเชื่อก็เปลี่ยนเป็นอยากเลิกเชื่อได้มาว่ากันถึงต้นเหตุปัญหา ธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันธรรมชาติของกรรมสัมพันธ์จะมีใครคนหนึ่งถูกเอาเปรียบหรือถูกกดขี่หรือถูกกระทาต่างๆน า, นานาเสมอหายากครับที่จับสองคนหรือมากกว่านั้นมาอยู่ด้วยกันแลาทุกฝ่ายแฮปปี้ทั่วหน้าต่างฝ่ายต่างผูกสมัครรักใคร่กลมเกลียวไม่มีใครเอาเปรียบใครไม่มีใครทาตัวใหญ่กว่าใครมีแต่ช่วยเหลือเกือ้อกูล เป็นอยู่ด้วยความปองดองจริงๆก็มีนะครับชีวิตในอุดมคติแบบนั้นแต่หายากหายเย็นเหลือเกินที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกรรมดีชั่วของแต่ละคนธรรมาไม่เท่ากันจึงเกิดช่องว่างขึ้นเสมอและในช่องว่างนั้นมีธรรมชาติของการเป็นใหญ่และเป็นรองเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดการวนเวียนในวัฏจักรที่ซ้าไปซ้ามาบางโอกาสเรามีสิทธิ์เป็นผู้กระทาก็ได้สั่งสมความสะใจว่าเราเหนือกว่าบางโอกาสเป็นฝ่ายถูกกระทาก็ได้สั่งสมความเกลียดชังน้อยเนื้อต่ำใจไปแทนและแล้วด้วยกฎแห่งการสนองกลับแห่งกรรมวันหนึ่งผู้กระทาก็ต้องกลายเป็นผู้ถูกกระทาเข้าให้บ้าง แต่ไม่ค่อยแน่ว่าผู้ถูกกระทำจะมีกำลังใจสั่งสมบุญไปเป็นฝ่ายกระทำเข้าบ้างหรือเปล่าผู้เป็นฝ่ายลงมือทำร้ายร่างกายหรือทิตใจคนอื่นเป็นนิดนั้นย่อมมีเงาเมื่อติดตามตัวไปเห็นได้จากชาติปัจจุบันว่าหน้าตาเคร่ามเคร่งมีความไม่น่ารักไม่น่าใกล้ชิดไม่น่าคุยด้วยนานนัก นี่เป็นสิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันทันตาไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติไปไหนถึงแม้บุญเก่าจะบรรดาให้เขาสวยหล่อเพียงใดเปลือกนอกที่ห่ออุ้มไว้นั้นก็ไม่อาจช่วยพยุงได้นานเลยกระแสะความน่าชิงชางจากภายในจะคล้ายหนามแหลมหน้าระคายที่ผุดยื่นออกมาม า, มากหน่อขึ้นทุกวันจนในที่สุดเมื่อน้ำเลี้ยงแห่งบุญเก่าหมด เขาจะเหลือแต่ความสุดโทมเป็นที่ปรากฏชัดอีกประการหนึ่งในที่สุดวิบากกรรมจะกดหัวเข้าลงไปอยู่เบื้องล่างและมีคนขึ้นเหยียบบ้างอาจเป็นตัวเราที่เคยถูกเขากระทําแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนอื่นที่อยู่ในแวดวงโครจรกรรมทํานองเดียวกับเขา เวลาพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องกรรมวิบากท่านจะให้ข้อมูลความจริงเป็นกลางๆอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราไปสมน้ำหน้าใครเพราะการสมน้ำหน้าก็คือการได้ส่วนบาปของเขามาเปื้อนจิตเราแต่เมื่อเรารู้ข้อมูลตามจริงนี้จะได้วางใจเป็นอุเบกขาว่าใครทำอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นและนี้ไม่ใช่เพื่อให้เรามองออกไปนอกตัวอย่างเดียว ไม่ใช่ให้เห็นแต่ว่าคนอื่นเขาจะต้องไปเสวยกรรมที่เขาทำมาเราเองแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเสวยกรรมที่ทำไว้แต่ก่อนเช่นกันขอให้คิดว่าเราจะไม่มาอยู่ภายใต้การเบียดเบียน ด, ด้วยวาจาเช่นนี้เลยหากเราไม่เคยเบียดเบียนใครด้วยวาจาเป็นนิดมาก่อนต่อให้มีฐานะต่าต้อยต้องเป็นฝ่ายรับใช้ใคร ก็จะไม่พบเจอนายที่โหดร้ายเป็นอันขาดแต่เพราะเราเคยสนองตัณหาเคยทำกรรมด้วยการฉวยโอกาสจากช่องว่างทางฐานะมาก่อนก็จึงต้องได้รับผลเช่นนี้สำหรับหลายคนที่จำต้องทนสวยทุกข์ยังไม่อาจหลีกเลี่ยงนั้นน่าเห็นใจครับไม่มีคําแนะนำชนิดเสกปิ้งเดียวทุกสิ่งที่เลวร้ายหายวับไปกับตา คงต้องนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาทดลองคือให้โต้ตอบคนพูดร้ายด้วยการพูดดีให้โต้ตอบคนร้ายศีลด้วยศีนสัตว์ด้วยการทําเช่นนี้ประการแรกเราได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างคันติบารมีประการที่สองเราได้ชื่อว่าใช้กรรมชั่วเก่าโดยไม่สร้างกรรมชั่วขึ้นใหม่ประการที่สาม เราได้ชื่อว่าเป็นของจริงเป็นตัวอย่างให้คนชั่วเห็นว่าโลกนี้ยังเป็นคนดีกันได้แม้ถูกโอร้อยเยะหรือถากถางว่าโง่แค่ไหนข้อสุดท้ายนี้ถ้าเราสั่งสมบารมีจนเกิดพลังงานมากพอก็สามารถอาศัยอธิษฐานโดยอ้างเป็นสัจจะได้เช่นเราโต้อตอบคนมีวาจาชั่วร้าย ด้วยวาจาดีงามมาครบสามเดือนซึ่งเป็นกรรมอันคนทั่วไปทำได้ยากขอสัจจะความจริงนี้จงทำให้เขาสำนึกผิดและกลับใจมารู้สึกดีพูดกับเราดีขึ้นด้วยเถิดโลกเรากำลังเต็มไปด้วยคนท้อแท้ที่จะทำความดีครับต่างฝ่ายต่างเป็นตัวอย่างในทางเสื่อม ถึงไม่ค่อยมีกำลังใจอยากต่อสู้ความชั่วร้ายภายในตนเองกันสักกี่คนอธิษฐานให้เริ่มที่ตัวเราเถอะถึงแม้จะเป็นคนเดียวในตำบลก็อาจเปรียบได้กับน้ำหยดเดียวที่หย่อนจุมลงไปในสระใหญ่และกระจายวงคลื่นออกไปทั่วสระในที่สุด